มนักธรรมันโทมูลที่สิบบรรยายโดยพระอาจารย์มหาเพราะทิตาสีโลจารันสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นโทเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปอาวันนี้ก็จะได้พูดในหมวดที่สามในหัวข้อว่า อภิสังขารสามอภิสังขารสามก็ได้แก่หนึ่งปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบุญสองอภุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบาปสาอเนญชาภิสังขารอภิสังขารก็คืออเนญชาฉะนั้นประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายมาทําความเข้าใจกับคําว่าอภิสังขารเช่นก่อนคําว่าอภิสังขารหมายเอาสภาพที่ตกแต่ง ให้สัตว์ดีบ้างเลวบ้างต่างๆกันไปไม่ได้หมายเอาสิ่งหรือว่าสภาพที่สัมภาระหรือว่าธาตุคมกันเข้าที่เรียกว่าปุปาทินนกะสังขารและอนุปาทินนกะสังขารฉะนั้นในที่นี้ท่านจึงจำแนกออกเป็นสามอย่างด้วยกันก็คือหนึ่งปญญาภิสังขารหมายถึงสภาพที่ตกแต่งในทางที่ดีที่งามในทางที่เป็นบุญเป็นกุศล เราเรียกว่าปุญญาพิสังขารคือพูดง่ายๆก็คือว่าในสิ่งใดที่เราประกอบคุณงามความดีหรือว่าทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทำไปแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองทำไปแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำไปแล้ววินยูชนนับรองว่าดีอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นปุญญาพิสังขาร น, นะเป็นปุญญาภิสังขารคือหมายถึงว่าเราทาอะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่เราได้ก่อกรรมไปนั้นล้วนแต่ว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและแก่ส่วนรวมก็ได้ชื่อว่าเราทำดีหรือว่าเราทำบุญบุญนั้นก็ได้แก่ความสุขแต่ในที่นี้ท่านประสงค์เอาสภาพที่ตกแต่งจัดให้ดีงามพร้อมทั้งรูปพันสันฐานที่น่าดูน่าชมเป็นที่รักใคร่ชอบใจอของผู้อื่นตลอดจนถึงชีวิตจิตใจที่ปราศจากอกุศลทั้งตังฉะนั้นอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นบุญทางนั้น เพราะว่าคนเราทุกคนที่เกิดมานี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าเราเกิดมาก็ด้วยบุญดังบาลีบทหนึ่งว่าปุเพกะตะปุญญาตาเพราะว่าเราได้มีบุญอันสั่งสมไว้แล้วในปางก่อนนะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นผู้หญิงผู้ชายเราเกิดมาก็เพราะบุญเรามีสวดสงสมส่วนก็เพราะบุญมีเสียงดีก็เพราะบุญเกิดมาประกอบกิจการอันใด ร่ารวยก็เพราะบุญนะได้สามีดีก็เพราะบุญได้ภรรยาดีก็เพราะบุญอได้ลูกดีก็เพราะบุญมีพ่อแม่ดีก็เพราะบุญเรียกว่าอะไรอะไรมันก็เป็นบุญทางนั้นนะเป็นบุญทางนั้นเลยอมแม้ที่สุดก็คือว่าเราจะร่ำเรียนศึกษาอะไรที่เรียนไปแล้วก็มันรู้สึกว่าเราฉลาดเราเข้าใจจนกระทั่งเรียนทะลุโปร่งดีอันนี้ก็เป็นบุญทางนั้น คนที่เป็นใหญ่ในประเทศเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีก็เป็นเพระบุญได้เป็นเจ้านายเป็นเนกว่าจะเป็นนายอำเภอหรือเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีกรมกองหรือเป็นเจ้ากระทรวงอก็พระบุญทั้งนั้นเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็พระบุญหรือว่าจะได้ปฏิบัติธรรมจนได้วิชาจนได้วิโมกหรือได้วิมุตติก็พระบุญได้เป็น พุทธภูมิก็เพราะบุญได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะบุญอพระปัจฏิกับพุทธเจ้าก็เพราะบุญนี่เป็นเรื่องบุญทางนั้นอันนี้เป็นไปในฝ่ายปุญญาพิสังขาร น, นะเป็นไปในฝ่ายปุญญาพิสังขารก็คืออสังขารสังขารคือบุญนะหมายถึงสังขารคือบุญอรวมแต่เป็นความกเป็นความเจริญตาเป็นความเจริญใจที่เราได้สะสมเอาไว้นะสะสมเอาไว้ สิงเหล่านี้แหละมันปรุงแต่งให้เราเกิดแต่ในทางที่ดีที่งามทางนั้นนะที่ดีที่งามทางนั้นประการที่สองอภุญญาพิสังขารอภิสังขารได้แก่สภาพที่ตกแต่งเป็นไปในฝ่ายเลวตามนะตามกําลังแห่งบาปอกุศลนะแห่งบาปอกุศลที่สัตว์ได้ก่อกรรมทําไว้คําว่าบาปนั้นได้แก่ความทุกข์ยากชั่วช้าเลวตาม ในที่นี้ท่านประสงค์เอาสภาพที่ตกแต่งสัตว์ให้เลวพร้อมทั้งรูปพันธสันฐานอันน่าเกลียดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นตลอดถึงความคิดความอ่านก็ล้วนแต่เป็นไปแต่ในทางที่ชั่วลามกปรุงแต่งให้เป็นไปแต่ในทางที่ชั่วที่เสื่อมเสียทั้งนั้นบางคนเกิดมาก็มีอวัยวะพิกลปีการอาอย่างนี้ก็เพราะอคุญญาปิสังขารมันปรุงแต่งนะมันปรุงแต่งหรือว่าเกิดมามี ขอประธานโทษมีตาเกาะเลหรือว่าตาบอดจมูกแหว่งปากเว้นหูหนวกตาบอดหรืออวัยวะบางส่วนแข่งขาปิกลปิการเป็นโรคนอนโรคนี้อันนี้มันเป็นเพราะว่าอัปุญญยาปิสังขารนั่นเองนะคือสภาพที่ตกแต่งเป็นไปในฝ่ายที่เลวในฝ่ายที่ไม่ดีไม่งามนะสิ่งเหล่านี้เราเห็นแล้วมันก็ไม่เจริญตาไม่เจริญใจเราดูแล้วมันก็ ทำให้เกิดลงความสังเวชนะลงความสังเวชอันนี้แหละเรียกว่าเป็นเป็นอภิสังขารที่ปรุงแต่งให้เกิดในฝ่ายที่ไม่ดีไม่งามก็คือเป็นฝ่ายบาปนั่นเองพูดง่ายๆอ่าเป็นฝ่ายที่เลวนะเป็นฝ่ายที่เลวคนที่ตั้งได้สามีไม่ดีมันก็เป็นอปุญญาภิสังขารได้ภรรยาไม่ดีก็เป็นอปุญญาภิสังขารได้ลูกไม่ดีก็เป็นอปุญญาภิสังขาร ได้พ่อแม่ไม่ดีก็เป็นอคุญญาติสังขารเรียนอะไรไม่สําเร็จก็เป็นอคุญญาติสังขารประกอบกิจการงานอันใดมันมีอุปสรรคข้องอยู่ร่ำไปก็เป็นอคุญญาติสังขารนะมันปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีทางนั้นนะในทางที่ไม่ดีทางนั้นในทางที่ไม่จเจริญตามไม่จเจริญใจไ ม, มนะไม่งอกงามนะไม่งอกงามเรียกว่ามันก็มาเป็นบาปนะมันก็เป็นบาปเป็นสิ่งที่ชั่วช้าเร็วซามนะจึงจัดเป็นอคุญญาติสังขาร มาในข้อที่สามก็คืออนเนนชาพิสังขารได้แก่สภาพที่ตกแต่งสัตว์ไม่ให้วันไหวค่ะคือเรียกว่าจิตใจไม่ให้วันไหวคือมีจิตใจมั่นคงเป็นอนเนนชาคําว่าอนเนนชานี่หมายถึงว่าไม่วันไหวเป็นธรรมชาติหาความวันไหวไม่ได้ท่านแสดงไว้เป็นสองในคือว่าเป็นภูมิธรรมเพียงชั้นสมาบัติก็มีนะชั้นสมาบัติก็มีเรียกว่า รูปฌานสี่อรูปฌานสี่นะนี่ก็เป็นสมาบัติแปดเป็นโลกุตระอะคือฌานของพระอเยเจ้าผู้บรรลุอผลเป็นอย่างสูงก็ดีฉะนั้นอเนญชาจึงแต่งผู้บรรลุให้เที่ยงในสุขติเสมอคือหมายความว่าอผู้ที่ตกอยู่ในอเนญชาพิสังขารได้แก่สภาพที่ตกแต่งไม่ให้วันไหวด้วยจิต ด, ด้วยจิตใจก็หมายถึงว่าผู้ที่มีจิตใจมั่นคงอใน สภาวะธรรมแล้วมีสติปัญญาารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมจนที่สุดก็คือได้สมาบัติได้ฌานได้อ ช, ชั้นตั้งแต่โซได้ฌานแล้วก็ได้โซดาสกิทาคาอนาคาจนถึงที่สุดก็คือได้พระอรหันต์นะได้พระอรหันต์อย่างนี้ก็เรียกว่าไปแต่ในทางสุคติหรือถึงที่สุดก็คือว่าสิ้นพบสิ้นชาติดับกิเลสตัณหานะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น อันเนนชาปิสังขารฉะนั้นถ้าหากว่าจะเทียบอจะถามปัญหาว่าอภิสังขารสามต่างจากสังขารสังขารละขันอย่างไรหรือว่าเหมือนกันแล้วว่าต่างจากสังขารสามอย่างไรอข้อ น, นี้ขอให้หนัเกเรยียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายลองตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าน่ารู้มากนะว่าอภิสังขารสามต่างจากสังขารละขันอย่างไร หเหมือนกันและต่างจากสังขารสามอย่างไรอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าอภิสังขารสามกับสังขารละขันในอขันนั้นเหมือนกันเหมือนกันเพราะเพ่งสังขารละขันเป็นกุศลและอกุศลและอภิยากรอภิาอยากตอันนี้หมายความว่าสังขารในขันห้านั้นก็หมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้ดีก็ได้ให้ชั่วก็ไดไ้ให้ดีก็ได้ให้ชั่วก็ได้ให้เฉยๆยก็ได้ นี่ฉะนั้นอในคําว่าอภิสังขารสามนี่ก็เหมือนกันอปรุงแต่งสัตว์ให้ดีก็ได้ดีก็เป็นอภุญญาภิสังขารชั่วก็เป็นอภุญญาภิสังขาร น, นี่อเรียกว่าอภินินทาภิสังขารก็เรียกว่าให้อยู่กลางๆเฉยๆก็ได้แต่ว่าต่างจากกายสังขารและจิตสังขารแตกต่างจากกายสังขารและจิตสังขาร แต่ไปเหมือนกับวจีสังขารเพราะเพ่งเอาอภิญญาสามเป็นสมาบัตินะอ่าเหมือนกับวจีสังขารอ่าเป็นสมาบัติแล้วถ้จะถามว่าอภิสังขารสามและสังขารสามจัดเข้าในอขันห้านะจัดเข้าในขันห้ารวมลงในขันใดได้ไดบ้างได้หรือไม่ได้ถ้าได้จงจัดถ้าไม่ได้ก็แล้วไป ย้อนอีกทีว่าอภิสังขารสามและสังขารสามจัดเข้าในปัญจขันธ์รวมลงในขันธ์ใดบ้างได้หรือไม่ได้ถ้าได้จงจัดถ้าไม่ได้ก็แล้วไปอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่ากายสังขารจัดเข้าในรูปขันธ์วจีสังขารก็วจีสังขารและอภิสังขารก็จัดเข้าในสังขารขันธ์ส่วนจิตสังขารก็จัดเข้าในปัญญาขันธ์และเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์ อันนี้สมเด็จพระมหาสมปนาเจ้าได้ทรงฝากอเนนชาพิสังขารไว้แก่นักศึกษาเพื่อให้พิจารณาว่าเราจะพิจารณาความอย่างไรถ้ายังไม่ได้พิจารณาก็จงแสดงไปตามระเบียบของท่าน อ, อันนี้ท่านก็ฝากไว้ว่าอเนนชาความวันไหวถ้าไหวไปในทางบุญก็เป็นภุญญาพิสังขารถ้าไหวไปทางบาปก็เป็นปุญญาพิสังขารความคิดอ่านในระหว่างนั้นก็คือว่าคิดอ่านเรื่อง นิ่งเรื่องเฉยอันไม่เป็นบุญเป็นบาปตั้งแต่ชั้นต่ำจนถึงชั้นสูงก็แสดงตามความเห็นตามระเบียบของท่านแสดงไว้ได้แก่อารุปสมาบัตสีนั่นเอง น, นี่เป็นเรื่องของอาภิสังขารสามก็เป็นเพียงยอดเอดพอเป็นแนวทางแก่การเรียนการศึกษาแต่ก็จะพูดในหัวข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอาสวะสามอาสวะสามก็คือหนึ่งการมาสวะอาสวะ อาสวะเป็นเหตุให้อยากได้หรืออาสวะคือกามสองภวาสวะอาสวะเป็นเหตุอยากมีอยากเป็นหรืออาสวะคือพบสามอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือความโง่เขลาประการแรกขอให้ท่านทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับคำว่าอาสวะเสียก่อนคำว่าอาสวะหมายความว่าเครื่องหมักดองของใช้มาเรียกชื่อเป็นของเมรัยก็มีเช่น อปุกผาสโวอ่าน้ําดองน้ําดองดอกไม้พลาสโวน้ําดองผลไม้นะหรือว่าปลวกมะม่วงดองอ่ปลวกมะม่วงดองหรือลูกพ้ออะไรปลวกนี้นะเนี่ยปวกนี้ถือว่าพลาสโว อ, อพลาสโวผลไม้ดองในดอกไม้ดองกับปลวกบุ้ยดอกบุย้ยหรือว่าดอกกระเจี๊ยบหรือว่าดอกกลุ่มดองอะไรอย่างนี้ยเนี่ยอันนี้ถือว่าปุกผาสโวนะปุกผาสโว ไอของอะไรที่มันหมักดองมันมักจะบูดจะเน่านะมันบูดมาเน่าแต่ทีนี้เรากินกันบางครั้งมันก็อร่อยปากอร่อยลิ้นนะแต่ว่าคุณค่ามันไม่เคยมีประโยชน์กินไปมันมีแต่เกิดปลดในท้องนะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษแต่ว่าพวกเราก็รู้สึกว่าชอบกันนะชอบกันขอประทานโทษโดยเฉพาะสุภาพสตรีเห็นไอของดองๆโเจลๆนี่แหมรู้สึกว่ามันเรียกน้ําย่อยนะชอบเหลือเกินมะม่วงดองมะยมดองมะกอกน้ําดองอะไรพวกนี้เราเห็นแล้วรู้สึกว่ามัน มันจะต้นน้ำย่อยอชวนอยากให้เซื้อให้แสวงหานะจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยได้มีประโยชน์ต่ อ, อร่างกายเท่าที่ควรกินไปแล้วก็ไปเกิดกดในกระเพาะเกิดกดในท้องขึ้นอีกฉะนั้นอาสวะนี่เหมือนกั น, นมันเป็นเครื่องหมักดองถ้ามีอยู่ในจิตใจของบุคคลใดก็ทําจิตใจคนนั้นก็ให้เศร้าหมองให้เศ้าหมองฉะนั้นคําว่าอาสวะสามนี้แต่บางคราวก็เรียกว่ากิเลสนะ โดยความเป็นสภาพเศร้าหมองกิเลสและอาสวะสองคำนี้เป็นไวยพ์ของกันและกันเรียกแทนกันได้ในบางคราวเจตสิกอันเศร้าหมองบางคราวก็เรียกว่าอาสว ะ, ะคือความเป็นสภาพหมักหมมแต่บางคราวก็เรียกอนุยัยคือความเป็นสภาพนอนเนื่องอยู่ในสันดานบางคราวก็เรียกว่าสังโยคคือความเป็นสภาพเครื่องรัดรึงร้อยรัดรึงจิตใจ บางค่าวก็เรียกคันถะคือเป็นเครื่องผูกมัดบางค่าวก็เรียกว่าอากุศลรู้สึกว่าเรียกหลายอย่างนะเรียกหลายอย่างนะฉะนั้นเรื่องอาสวะเรียกหลายอย่างกามาสะวะภาสะวะอวิชาสะวะนะแต่คงไม่มีอะไรกันวะอ่ายี่คงไม่มีแน่ข้อนี้นี่ก็เพิ่มเติมไปเองนะฉะนั้นจึงบอกว่าเรื่องอาสวะนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะเรียนรู้นะเราเควรจะเรียนรู้เ่อให้เข้าใจ อาจารย์ท่านจึงจาแนกไว้เป็นสามคือกามาสวะาสวะเป็นเหตุไข้ได้แก่ตัวเจตสิกที่เศร้าหมองคนะือทำจิตใจให้อยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสอันเป็นเครื่องยั่วยวนสเสนหาจิตใจเรียกว่าอิทธารมคือเป็นอารมณ์อันน่ารักน่าใครน่าชอบใจฉะนั้นคนเรามันก็ติดอยู่กับเกี่ยวกับเรื่องกามาคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองไอ้รูปเสียงกลิ่นรสนี้ ถ้าเรามาพิจารณาดูจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่เป็นของง่ายนะเป็นของที่เราละยากแต่ว่าในทางผิวเผินแล้วเราสึกว่ามันง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันยากมากทําไมถึงว่ายากก็เรามาดูสิยังพระโสดาบันก็ยังไม่สามารถที่จะละกามได้นะละกามยังไม่ได้โสดาบันโสดาบันนี่ละได้ถึงสามคือหนึ่งส ก, กายยะทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามสีะระพสตาปรามานี่ยังละกามไม่ได้ พระสกทาคามีนะก็ยังละไม่ได้พระสกทาคามีก็ละได้หนึ่งจักกยายทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามสิลิพัสสะปรามาสพร้อมกับทำ ร, ราคะโทสะให้เบาบางเห็นไหมท่านผู้ฟังพร้อมกับทำ ร, ราคะโทสะให้เบาบางแต่ว่ายังละการมไม่ได้ผู้ที่จะละการมได้นั้นต้องขั้นที่สามคือพระอนาคามีนะพระอนาคามีละได้ห้าตั้งแต่ หนึ่งกัจจ า, ายะทิฏฐิสองวิจิกิจชาสามสิปรปตปรามาตสี่รูปราคาอะอขอประธานโทอดสีการปราคะห้าปฏิฆนี่เห็นไหมเรียกว่าต้องขั้นที่สามคือพระอนาคามีจริงจละได้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นทัพพิสุสัมเนตรก็ดีหรือญาติโยมก็ดีเมื่อออกบทแล้วที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนพุทธธรรมวินัยกันนี้ก็มีเหตทุที่ที่น่าเรียนรู้น่าศึกษา บางทีญาติโยมก็ตำหนิมากนะเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์องค์เนรเข้าไปปะพันกับญาติโยมมากเกินไปนะก็ทําให้เป็นที่ติดชิ้มมินทาเป็นข้อเคลหาเป็นโลภวัชชะนะถ้าคนเข้าใจก็ดีหรอกแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะทําให้เสื่อมเสียได้นะทำให้เสื่อมเสียได้เกี่ยวกับเรื่องโรคเสียงกลิ่นรดต่อถภาะนะการมาสะวะอาสะวะเป็นเหตุ เป็นเหตุไข้เป็นเหตุไข้ก็คือว่าทําให้อยากได้ในรูปนทําให้อยากได้ในรูปเพราะในรูปเพราะเห็นรูปสวยก็อยากได้เห็นรูปหล่อก็อยากได้นไม่ใช่แต่รูปคนอย่างเดียวแม้แต่สิ่งที่ไม่มีวิ ญ, ญญาณบางครั้งเราก็อยากได้อยากได้บ้านสักหลังอยากได้รถสักคันหนึ่ง อ, อยากได้ของสวยๆงามๆถ้าได้มาเป็นของเราอ่าก็รู้สึกว่ามันคงจะสุขใจอ่ บางครั้งไม่ได้ด้วยสุจริตก็แสวงหาโดยทางทุจริตเข้าตําราที่เรียกว่าไม่ได้โดยเลขก็เอาด้วยกนไม่ได้โดยมลก็เอาด้วยคาถานี่อันนี้แหละมันก็เกิดทุกเกิดความเดือดร้อนแต่ถ้าเรามาพิจารณากันในแง่ของธรรมะเลย ว, ว่ารูปก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปก็สัตแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานารูปนี้มันเป็นร่างกายที่ ป่ยเน่านะเป็นร่างกายป่วยเน่า เ, าเรียกว่ามันเป็นสังขารที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นหากว่าเราไปติดรูปแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องมีแต่ความทุกข์มีแต่ความโศกมีแต่ความเศร้าเพราะว่ารูปนั้นทีแรกมันก็ยังเป็นเด็กต่อไปมันก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมันก็เป็นเท่าเป็นแก่แล้วมันก็หมดกันไปนี่ ไอเราไปชอบนะมันชอบอยู่ในวัยเดียวคือในวัยหนุ่มวัยสาวพอพ้นวัยนี้เราก็หมดเนะี่ยเราไม่ชอบเนะี่ยนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอ่านั้นจึงบอกว่าไอรูปเนี่ยมันเป็นของที่ไม่แน่นอนนะมันเป็นของที่อปรับปรงเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่ตลอดเวลานฉะนั้นในเรื่องการมาสะวะรค์นี้ในเรื่องรูปก็ดีเสียงก็ดีเหมือนกันเสียงถ้าเราพิจารณาโดยธรรมก็คือเสียงก็สักแต่ว่าเสียง ไม่ใช่สัดบุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเสียงมันไม่ได้คงที่อยู่ตลอดเวลาเป็นเด็กก็ไปอีกอย่างหนึ่งเป็นมุมเป็นสาวก็เสียงไปอีกอย่างหนึ่งพอเท่าแกก็เสียงไปอีกอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยฉะนั้นเมื่อเรามาติดสิ่งเหล่านี้จิตใจของเรามันก็ไม่มั่นของมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยในทางเปือนรดในการสัมผัสก็เช่นเดียวกันนะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่จีรังยั่งยืนนะถ้าหากว่า เรารู้อย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะไม่มีทุกข์ก็จะไม่มีโทษโดยนึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนมันเหมือนกับว่าเราจะไปยึดเอาไอ้ไม้ผุผกพังมันเป็นที่พึ่งอะไรกับเราไม่ได้นะเป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้แต่ว่าเราเอาเป็นเครื่อง เ, เตือนจิตสกิดใจเป็นศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะข้ามไปสู่ฝั่งคือพระนิพพาน หรือเพื่อจะข้ามไปสู่สันติสุขนั้นได้นะเหมือนกับคนอาศัยเกาะซ า, ากศพที่ลอยน้ําที่จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นได้ฉันใดการที่เราได้พิจารณาเห็นสังขารคือรูปว่ามันเป็นของป่วยเน่าก็พิจารณาให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานนะให้เห็นว่ า, าสังขารนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วก็พิจารณาโดยกายคตาสติมีสติพิจารณาเข้าไปในกายว่าภายในร่างกายของเรานี้ มันก็เป็นภาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดตัดไตไส้รวงเม้นคะคลุงไปหมดถ้าคนได้เคยไปเห็นตำรวงพยาบาลที่ในแพทย์เขาผ่าตัดสอนให้นักเรียนนักศึกษาแพทย์ก็ดีหรื อ, อชำละร่างกายเพื่อพิสูจน์พวกที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆก็ดีเราจะเห็นว่าไม่มีส่วนใดที่น่ารักน่าใคร่ที่น่าปรารถนาเลยเมื่อถึงตอนนั้นเราจะเห็นว่าคนเราก็เหมือนกับหมูตัวหนึ่งเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งที่เขาชำละออกมา เมื่อเขาจำแหล่เอาเนื้อออกหมดแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์เลยนะไม่รู้เลยมันก็เหมือนกับสัตว์ทั่วๆไปนั่นเองเกรงข้ครุ้งเหมือนขาวมากตอนนั้นเราจะให้ให้ให้คนที่ว่าชอบก็เห็นท่าจะไม่เอานะไอตอนที่ยังไม่ตายแหมเราก็ปรารถนากันแก่งแย่งกันจกชิงกันช่วงชิงกันอิจฉาสยากั น, นซื้อกันราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่พอตายแล้วให้เปล่าก็ไม่เอานี่ถ้าเรามาพิจารณา อในตอนที่มีชีวิตเหมือนยังกับตอนที่เขาตายไปแล้วแน่นอนที่สุดจิตของเราก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลจิตของเราก็เอเรียกว่าเป็นจิตวิเวกจิตสงบเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นนะปัญญาเกิดขึ้นฉะนั้นวิธีที่เราจะหลีกจากการมาสวะได้เราก็ต้องสำรวมตาหูจมูกเลี้ยงกายใจมิให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นโลก โอฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสดกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆเราพิจารณาอย่างนี้ได้เราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความสบายปราการที่สองก็คือภาวาสวะอาสวะเป็นเหตุให้อยากเป็นได้แก่เจตสิกอันเศร้าหมองทำให้อยากเป็นอยู่ในภพอันตนป่าถนามีความดิ้นรนปราถนาแผ่ไปในภพที่ตนเป็นอยู่ไม่อยากออกไปจากภพนั้น อันนี้ก็หมายความว่าคือคนเราพออยากอยากมีอ <AUDIENCE S 2> ยากเป็นนะไอ้ภาวะตัวนี้นะแปลว่าอยากมีอยากเป็นนะหรือว่าอยากอยู่ในภพไอ้ภพเกาเอาวะเป็นพระเกาเป็นภพไปไอ้อยากมีอยากเป็นในคนเราเป็นเป็นโรคนี้กันมากนะแล้วโรคนี้แก้ย่ะไอ้โรคอยากมีอยากเป็นอยากอยู่เรื่อยนะได้แค่นี้ก็จะเอาแค่นั้นได้แค่นั้นก็อยากปรารถนาต่อไปนะทีแรกกาะ อ, อยากจะมีเงินสักอ่หมื่นบาทนะพอได้หมื่นบาทก็อยากจะมีสักแสนหนึ่งพอได้แสนก็อยากจะมีสักล้านพอได้ล้านก็อยากจะมีสักสิบล้านก็มันอยากอยู่เรื่อยไม่มีที่สิ้นสุด น, นะเอ้าอยากจะได้คนสวยๆมาเป็นภรรยาอยากจะได้คนหล่อๆมาเป็นสามีอ่าพอได้แล้วมันก็ไม่สมจิตสมใจก็อยากต่อไปอีกเรื่อยๆนี่นี่แหละไอ้โรคอยากนี่มันแก้ยากนะแก้ยาก ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้จัดไว้ว่านัิตันหาสมานักทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาคือความอยากไม่มีแม่น้ำที่ว่ามันเป็นล้นฝั่งบางครั้งก็อาจจะท่วมบ้านท่วมช่องได้แต่นั้นนานทีปีสักขนหนึ่งแต่ว่าน้ำคือตันหามันท่วมจิตใจของสัตว์ของคนเราอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราต้องมืดมนอนทการไม่รู้จักดีรู้จักชั่วตกเป็นทาสของตัณหามีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความกระวนกระวายต้องกระเสือกกระสนสะแสวงหาตามอํานาจของความอยากผลที่สุดก็คือถึงแก่ชีวิตถึงความหายันะอันนี้เราก็มีเห็นอยู่เร่ำไปเห็นอยู่ตลอดเวลานี่ก็เพราะไอ้โรคอยากนี่เองฉะนั้นเราจะกําจัดไอ้โรคอยากอันนี้ได้แน่นอนที่สุด อเมื่อเรารู้เหตุเส็จแล้วเราก็กําจัดได้นกําจัดได้บางครั้งเราก็ติดที่อยู่คือเรียกว่าติดพบอเราเคยอยู่ในห้องดีๆห้องมีเครื่องประดับพร้อมที่รับที่นอนสมบูรณ์เรารู้สึกว่าเราจะไม่อยากไปอยู่ที่อื่นไปไหนก็อันไลัยอาวอนไปนอนในที่อมันครุขระหน่อยนอนเสือก็นอนไม่ได้นอนกับพื้นกระดานก็นอนไม่ได้จะต้องนอนมีเบาะนิ่มๆมีฟองน้ํนำสูง มีผ้าดีๆทางในมีเครื่องประดับทางฝาก็ประดับไปด้วยเบรเปอร์วันหรือว่าวันเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเอกดาดสวยๆงามๆแปะเข้าไปดูแล้วมันมีชีวิตชีวาเนี่ยอย่างนี้นะมันถือว่ามันเป็นตัวอาสวะกิเลสทางนั้นนะเป็นตัวอาสวะกิเลสทางนั้นเลยนี่แหละเพราะเราติดที่อยู่อย่างนี้แหละเราจึงไม่เห็นธรรมนะไม่เห็นอัตเห็นธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามันนึกศึกษาประวัติของท่านดูจะเห็นว่า ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติมนั้นก็ไม่ได้ประสูติบนชั้นอาปราสาทราชวังทั้งๆที่เราเป็นลูกกษัตริย์อันยิ่งใหญ่แต่ท่านก็ไม่ได้ประสูติบนปราสาทราชวังไม่ได้นอนเบาะดีๆท่านกลับประสูติกลางดินกลางทรายคือประสูติภายใต้ต้นรังเห็นไหมนี่ดูสิก็ประสูติกล้งในดงในป่าท่านตรัสรู้ก็ตรัสรู้ติคนไม้กลางดินกลางทรายท่านปณิธานก็ปณิพานที่ภายใต้ต้นรังก็กลางบงป่าอีกเหมือนกัน ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างทองแท้จึงได้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่พวกเรานี่แหมเกิดกันโน้นบนตึกสิบชั้นยี่สิบชั้นสามสิบชั้นหรือว่าตำรวงพยาบาลใหญ่ๆ ห, ห้องแอร์อย่างดีแมมมีเครื่องประคบประนมอย่างดีก็เลยไม่รู้อัดรู้ทรรู้แต่สิ่งที่เป็นอาสวะกิเลสรู้หลอกหลอกรู้จอมปลอมนี่แหล ะ, ะจึงบอกว่าปัญญาของเรามันจะมืดมิดนดน ะ, ะมืด เมื่อมิตหายไปหมดโถไอ้ตัวกิเลสกัณหามันห่อหุ้มไว้หมดนะตัวอวิชามันห่อหุ้มไว้หมดเราไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ติดในภพในชาติแน่นอนที่สุดอ่าเราก็จะต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่จีรังยั่งยืนนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะอยู่อย่างไรก็ต้องมีสติอย่าไปลหลงไหลไฟฝันนะการที่เรา จะอยู่อย่างนั้นมันจะอยู่กับเราตลอดไปชีวิตไม่ได้ถึงนั้นไม่จากเราเราก็ต้องจากมันนะมันก็ต้องจากเราเราก็ต้องจากมันสักวันหนึ่งต้องเป็นอย่างนั้นเราก็อย่าไปหลงไหลอะไรอววรเรามีสติปัญณาอย่างนี้ก็จะทำให้เราบรรเทาสิ่งเหล่านี้ได้ปราการที่สามก็คืออวิชชาสวะอสัวะคืออวิชชาคือความโงอกเข่าความเข่าไม่เข้าใจในลักษณะแห่งคติของธรรมดาและมีความสําคัญผิดตรงกันข้าม กับความเป็นจริงว่าอาวิชชาสะวะนี้เมื่อมักผมอยู่ในสันดานของสัตว์จําพวกใดก็ย่อมทําให้สัตว์จําพวกนั้นเมื่อมนุอนตาการไม่มีปัญญารอบรู้เหตุผลมาต้นปลายตามคติของธรรมดาอาวิชชาสะวะนี้ทําให้เกิดโทษร้ายแรงยิ่งกว่าอสวะประเภทอื่นเพราะเป็นรากเง่าเขาโมลเป็นเหตุทําให้เกิดอสวะอื่นๆอีกต่อไปเราลองพิจารณาดูคําว่า อาสวะคืออวิชชาคือความง่เขาคือไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนะไม่รู้เหตุแห่งความเจริญไม่รู้เหตุแห่งความเสื่อมไม่รู้เหตุแห่งความอไม่รู้เหตุที่จะให้เกิดทุกไม่รู้เหตุที่จะให้เกิดสุขตัวอวิชชามันก็มืดมิดหมดแล้วนี่เราไม่รู้แต่ถ้าหากว่าเรารู้เหตุแห่งความเสื่อมคืออะไรเหตุแห่งความเสื่อมก็พูดง่ายๆก็คือเช่น อาการที่เราได้ติดพวกอบายมุขต่างๆเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงชายเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันคบกินชั่วหรือเป็นคนเกลียดขันอันนี้ถือว่าเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเป็นเหตุแห่งความทิพย์หายเหตุแห่งความเจริญเราก็ต้องละเว้นในทางนี้แล้วก็เป็นการให้ทานรักษาสิ่งเจริญภาวนานะเจริญภาวนาหรือว่าเป็นคนขยันเป็นคนรู้จักเก็บจับใจเป็นคนขยันเป็นคนประหยัดเป็นคนสื่อสารเป็นคนอดทนเป็นคน มีความสามาคัคคีและมีความกตัญญูกตเวทีอย่างนี้มันก็เป็นความเจริญโดยอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้กับอนัตถปุจก า, ามว่าเหตุแห่งความเสื่อมนะเหตุแห่งความผิดหายก็เป็นตน้นว่าบุคคลผู้นอนตื่นสายนะบุคคลผู้นอนนานนอนที่เศรนะ้านอนนานจะนอนที่เศร้าบุคคลที่ดุร้ายบุคคลที่คบธนภรยาสามีภรยาสามีของผู้อื่น อบุคคลผู้เดินทางไกลคนเดียวอ่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าทําให้เกิดความหายาณะทางนั้นนะเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนทางนั้นนี่แล้วพระพุทธองค์ท้าด้วยนะว่าหากใครประพฤติปฏิบัติในธรรมอย่างนี้ผู้นั้นจะต้องถึงความหายานณะถึงแก่ความจิบหายถึงแก่ความเสื่อมนี่จานะะนั้นอ า, อาวิชาสวะก็คืออ า, าสวะคือความโง่เขลาก็คือไม่รู้นะไม่รู้เหตุแห่งความเสือ่อมไม่รู้เหตุห่งความเจริญ การบรรยายเรื่องอภิสังขารสามและอาสวะสามก็อพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังจงประสบแต่ความสุขความสวัสด์วันนี้จะพูดในหมวดที่สามว่าด้วยเรื่องกรรมสามคืนหนึ่งกายกรรมกรรมจะทำด้วยกรรวายสองวจีกรรม กร ร, รมจะทำด้วยวาจาสามโนกรรมกรรมทำด้วยใจแต่การแรกขอให้ท่านทั้งหลายมาทําความเข้าใจกับคําว่ากรรมเสียก่อนคําว่ากรรมนี้หมายถึงกิจธุระที่บุคคลจะถึงทําเป็นคำจังกลางถ้าเป็นฝ่ายดีก็เรียกว่ากุศลกรรมถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็เรียกว่าอกุศลกรรมเราลองสังเกตดูสิ บางคนไม่เข้าใจคำว่ากรรมพอทำอะไรได้ดีก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรมดีไปเรียกว่าเป็นโชคบ้างเป็นลาบบ้างแต่พอถึงคราวชั่วขึ้นมาเราก็มักจะพูดเป็นว่ า, ามันเป็นกรรมนะบอกว่ามันเป็นกรรมของเรามันเป็นกรรมของเขาเนี่ยอันนี้เพราะเราพูดันไม่ถูกไม่เข้าใจตามสภาวะธรรมคำว่ากรรมจริงๆเนี่ยแปลว่าการกระทานะเป็นคากลาง ยังไม่บอกว่าดีว่าชั่วแต่เมื่อเอเติมคําว่ากุศลเข้าไปข้างหน้าก็เป็นกุศลกรรมก็เป็นกรรมฝ่ายดีเติมอากุศลเข้าไปข้างหน้าก็เป็นกรรมฝ่ายชั่ว เ, เป็นกรรมฝ่ายชั่วฉะนั้นเอเรื่องกรรมนี้ท่านจึงจําแนกออกเป็นาสามประเภทก็คือหนึ่งกายกรรมกรรมอันอกรรมที่สัตว์จะทําแล้วด้วยกาย ได้แก่กรรมอันเป็นหน้าที่ของกายจะเป็นกระทำท่านแยกไว้เป็นฝ่ายทุจริตและสุจริตอย่างละสามประการเช่นว่าในฝ่ายทุจริตก็คือว่ามีการฆ่าสัตว์นะมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดประเวณีอันนี้ถือว่าเป็นความชั่วทางกายนะเป็นความชั่วทางกายอเรียกว่า กายชุตริษแน่นอนที่สุดคนที่อชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือคนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์กักขังสัตว์ผู้นั้นก็จะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษผู้นั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนอะฉะนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ก็มักจะเป็นคนที่มีอายุสั้นนะคนที่ทรมานสัตว์ก็มักจะเป็นคนที่มีโรคมากอันนี้พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ในจุลกรรมมสูตรอุปริปรนันธา เห็นพระจุตังตปีดกฉะนั้นอเราก็พยายามอย่าทํากรรมชั่วกันเลยอาตตังทุกสังเสยโยนะว่าความชั่วอย่าทําเลยนะอะเพราะความชั่วอไม่ทํำเฉลยดีกว่าอไม่ทําำเลยดีกว่ า, นะททวาแต่ก็จริงอยู่ละเราเป็นปุถุชนก็อาจจะต้องทําบ้างแต่ก็ขอให้เรานั้นพยายามหลีกเลี่ยงนะหลีเกเลี่ยงที่สุดนะเว้นอยู่ไอ้สิ่งที่มันเผลอไผลหรือว่า เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจฉะนั้นอเรื่องในการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์นี้มันมีผลมากพระพุทธองค์จึงจัดว่ากรรมมังสตเตวิพัชติกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้ดีก็ได้ให้เลวก็ได้ให้ละเอียดให้กระหนี่ก็ได้นะให้ละเอียดให้กระหนี่ฉะนั้นก็ขอให้อเราทุกคนอจง ตั้งกาลยาณกิจไว้เสมอว่าพยายามอย่าทํากรรมชั่วนะอย่าทํากรรมชั่วเพราะเพียงแต่ว่าการที่เราเป็นคนชอบฆ่าสัตว์นี้ผลมันก็ติดตามตัวเองมากให้สังเกตดูคนที่ชอบรังแกสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยมักจะมีอวัยวะพิกลพิการนะมีอวัยวะพิกลพิการหรือว่าบางคนก็ได้รับการเรียกว่าทันตาเห็นก็มีนะทําตาเห็นก็มี อันนี้ได้เคยทราบม า, าเคยทราบแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์ก็ดีก็เคยลงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องอคนฆ่าวัวนะคนฆ่าวัวคนฆ่าควายาปรากฏในขณะที่จุงควายเข้าไปสู่ที่ฆ่านั้นควายอีกตัวหนึ่งก็ยืนมองเห็นว่ า, าพวกของตัวเองนั้นกำลังถูกฆ่าดิ้นทุรนทุราย <G ül üyor> ก็เลยบันดาลโศกยังไรขึ้นมาก็ไม่ทราบ ก, ก็เลยวิ่งเข้าไปขวิดพวก เ, เพชคฆาต่างๆสองสามคนนั้นไสแตกหมดเลยนะไสแตกหมดแล้วก็วิ่งขับคนนู้นคนนี้นะแล้วคนเขาก็เอาคนที่เจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลเลือด ก, ก็ไหลไปเป็นทาง่เจัวควายตัวนั้นก็วิ่งตามเลือดเข้าไปในโรงพยาบาล น, นี่เห็นไม คนก็ตื่นแตกกันหมดอะไรขวางหน้าก็ิดไม่เลือกนะจนกระทั่งมีพวกเด็กนักเรียนถีบรถจักรยานกลับจากโรงเรียนบ้างไปขวางหน้ากอดถูกเอเคราะเข้าไปด้วยถูกวายนั่งหดใต้แตกไปอีกนี่คนที่สุดก็ควายตัวนั้นก็จบลงด้วยกระสุนปืนของตำรวจนะนี่นี่มันก็เป็นเรื่องกรรมเรียกว่ากรรมที่ทันตาเห็นเลยแล้วอีกหลายๆอย่างนะบางคนก็ไปยิงงกตกปลานะ ตากรว่าในขณะที่ยิงนกไปนั้นตากรดเลยนกตูมมันก็หลุดขึ้นมามันก็มาเข้าตาตัวเองบอดอันนี้ก็มีนี่เรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็เถริ่นตูนี่อันนี้มันมันมีเหตุหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องกรรมนะฉะนั้นขอให้เรานึกไว้เสมอว่าเราคิดฆ่าเขาก็คือเราคิดฆ่าเราเราคิดจะไปเผาบ้านเขาก็คือเราคิดจะเผาบ้านของเรานะ เราคิดไปทำลายเขาก็คือคิดทำลายเราฉะนั้นเราอยากคิดทำอย่างนั้นเลยนะมันเป็นบาปมันเป็นเวรมันเป็นกรรมนะมันเป็นบาปมันเป็นเวรเป็นกรรมไม่ดีนี่เกี่ยวกับเรื่องการฆ่าสัตว์แล้วก็เคยเล่าให้ญาติโยมฟังว่าในครั้งพุทธกาลก็เช่นว่ามีในจุนทสุกริกะอันนี้แกฆ่าหมูเป็นประจำนะฆ่าหมูกินฆ่าหมูขายนะที่เหลือจะขายก็เอามากินนะ การฆ่าหมูนั่นก็มีวิธีกรรต่างๆเช่นว่าต้องเอาไม้สอดเข้าไปในปากแล้วก็เอาน้ําร้อนกรอกปากเข้าไปนะล้างท้องมันอเอานําร้อนลวกขนบ้างขูดขนออกพอนที่สุดพอนายจุนทะสุกฤตจะถึงแก่ตายแกรู้สึกก็มีอาการคล้ายๆหมูนะคล้ายๆหมูอทําไงเดินสี่เท้าเลยคลานไปทั้งโนดคลานไปตรงนี้คนในบ้านก็ช่วยกันจับไว้นะตัวจะตกบ้านเรือน จับมัดก็ไม่อยู่เนี่มันเป็นเพราะแรงจำรรแล้วส่งเสียงร้องก็เหมือนกับเสียงของหมูนะเหมือนกับเสียงของหมูนี่แหละมันเป็นขนจำรรที่ตนได้ฆ่าหมูมามากนะนี่มันก็มาประจวบกับในเหตุปัจจุบันนะเหตุเกิที่จังหวัดสุพรรณนะอาเภอศรีประจันต์ก็มีอคนจีนคนหนึ่งแกก็ฆ่าหมูขายอยู่เป็นประจำปรากฏว่าวันหนึ่งแกเกิดความร้อนกายร้อนใจมากนะ แกดิ้นรนทุรนทุรายอยากจะอาบน้ําอาบก็ไม่หายร้อนอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่หายร้อนอยากจะลงไปแค่น้ําในแม่น้ำนะพวกลูกเมียก็ช่วยกําจับไว้จับมัดไว้มั่งครั้งไว้มั่งแกก็ร้องอยากจะอาบน้าอยู่เลยนะก็วันหนึ่งไอแรงกรรมมันมากก็ผลักนั้นให้แกนั้นต้องหลบหนีลงไปแม่น้ําได้ไปแค่น้นําหลบเข้าก็ลงไปก็จมน้ําตายนี่มันก็เป็นเรื่องแรงกรรม ไอ้ที่ฆ่าหมูเอาน้าร้อนเป็นลวกหมูนะต้องเพราหมูเขจะฆ่าเขาต้องขูดขนออกต้องเอาน้าร้อนลวกนะต้องลวกขนมันนั้นนี่แหละจึงทําให้ตัวเองต้องร้อนกายร้อนใจนะนี่เป็นเรื่องกรรมที่ยกมาเป็นเพียง น, นิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่เราจะเห็นมากนะมีเยอะแยะหรือเหมือนอย่างกับอาบางคนนีนะ่เราจะเห็นว่า ไปเผาบ้านเขานะปล้นเขาแล้วไปเผาบ้านเขาปรากฏว่าตัวเองก็ต้องมาตายเพราะถูกไฟไหม้บ้านอีกเหมือนกันนะถูกไฟไหม้บ้านหรือบางคนไปเผาบ้านเขาแล้วก็หลบหนีเจ้าหน้าที่เขาตามไปนะก็ไปหลบเข้าไปจำไร่อ้อยก็ปรากฏผลกรรมเป็นยังไงเขาจุดไร่อ้อยขมาตัวเองก็หนีไฟไม่พ้นก็ถูกไม่ตายในไร่อ้อยก็มีนี่นี่มันก็เป็นเรื่องผลแห่งกรรมทางนั้นนะนะฉะนั้นจึงบอกว่า ให้ทุกแต่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวฉะนั้นกรรมย่อมสงบระงับได้เราจะต้องหยุดการกระทํากรรมชั่วทางกายในเรื่องการลักของเขาก็เหมือนกันการลักของเขาการที่เราไปทำมวยหรือไปรักของเขาฉกฉินวิงดาวของเขาที่ต้นของเขานี้เป็นการเอาเปรียบสังคมเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นเป็นการชุกงูเปื่ธรรมชาติได้สร้างคนเรามาให้มีอวัยวะเหมือนกัน มีตาหูจมูกลิ้นไก่ใจมีมือมีเท้ามีมันสมองมีสติปัญญาในการคิดที่จะประกอบอกิจการงานน้อยใหญ่แต่ว่าเรากลับมาใช้สิ่งอวัยวะเหล่านี้ไปทาในทางที่ชั่วโดยการตัดช่องย่างเบาชกจริงวิ่งราวที่ต้นคาอันนีถนนสนส้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นอย่างแสนสาหัสถือว่าเป็นการทาความชั่ว เพราะนั้นการที่เราทําอย่างนี้ผลกรรมมันก็จะติดตามเรามาที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือว่าเราจะต้องเกิดทุกข์เกิดเดือดร้อนต้องกระวนกระวายต้องคอยหลบๆซ่อนๆนะเพราะการทีายราทําอย่างนี้ได้เเราต้องคอยเราแวดระวังต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือก็กลัวเจ้าหน้าที่เขาจับและเมื่อเขาจับได้ก็ต้องติดคุกติดตารางเกิดความเดือดร้อนถ้าเราขัดขืนก็อาจจะต้องถูกยิงตายนี่มันก็กรรมเห็นทันตานะกรรมเห็นทันตา ซึ่งอันนี้ทางหนังสือพิมพ์ทางสถานในวิทยุก็พู่ให้เราเห็นเราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลานี่ฉะนั้นอันนี้แหละเราควรจะคิดกันสัหน่อยว่าถ้าหากว่าเขามาลับของเราเราก็เสียดายนะเขามาลับของเราเราก็เสียดายนะเพราะสิ่งนั้นเราอุตสาห์สร้างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบหงูตังน้ำอุปนะยะสมมาได้เชิงใช้ไม้สอยเงินทองทรัพย์สินทั้ง สิมีชีวิตแต่สิ่งไม่มีชีวิตแค่แหวนเงินทองโต๊ะต่างเตียงวิทยุอะไรก็แล้วแต่ใครบ้างใครก็เสียดายทางนั้นของใครใครก็หวงเห็นเพราะฉะนั้นคำรักของเราเราก็เสียดายฉะนั้นเมื่อเราก็เสียดายแล้วเราก็จะเป็นรักของเขาเลยนะเราสร้างเอาเองดีกว่าเราหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขจะไปทางไหนก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญะในทางจิตจะในทางกายนี่แหละก็คือว่าแล้วก็ในข้อที่สามก็คือ เราพูดผิดตเวนีก็คือในการมาประพฤติผิดลูกผิดเมียเขาหรือว่าลหลงไหลไฟฝันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสจึงทําให้เกิดความอึดอัดจิตใจเกิดราคะความกําหนัดกลัดกลุ้มจิตใจทําให้เราร้อน ร, ระวนวายไม่มีความสงบมันเป็นไฟสมขอนนะเปรียบเหมือนกับไฟสมขอนฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวราคะคือตัวกําหนัด มันเป็นไฟภายในเรียกว่าราคาคิไฟคือราคะมันเผาล่จิตใจของเราดังนั้นการที่เราทําอย่างนี้เขาเท่ากับว่าเราไม่เคารพในสิทธิเป็นการสร้างรอยร้าวให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวัอาจจะถึงการประหัตประหารกันยกพวกเข้าตีกันเป็นการเหยียดย่อืำเหยียดหยามมินเนน้าใจของกันและกันนของกันและกันของของใครใครก็หวงของของใครใครก็รัก การที่เราไปจุดประชาหรือประพฤติผิดประเวณีออะไรทํานองนี้ถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปเป็นการข่มเพ่งน้ำใจกันเขามาทํากับพี่น้องของเราเราก็เสียใจอมาอาใครเป็นพ่อแม่คนนั้นก็ต้องทุกข์ใจนะเราบ้างเขามั่งก็เหมือนกันเราจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราใจเราไปใส่ใจเขาคิดอย่างนี้เราก็สบายใจนี่เกี่ยวกับเรื่องอความชั่วทางกาย ในความดีทางกายเรียกว่าสุจริตนะสุจริตโยกกายสุจริตก็คือสามเหมือนกันก็คือข้อที่หนึ่งก็คือไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์การที่เราไม่ฆ่าสัตว์นั่นแหละทําให้เรามีอายุยืนคนไม่ฆ่าสัตว์เป็นคนที่มีเมตตานะมีเมตตามีกรุณาคือมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความรักสนิทสนมวลมเกลียวนะไม่อยากให้ คืออยากให้ทุกคนนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะไม่คิดที่จะเบียดเบียนกันนะเพราะที่ว่าการเบียดเบียนกันนั่นมีแต่ทุกข์มีแต่โทษเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการแผ่เมตตาให้กันและกันนะแผ่เมตตาให้กันและกันที่ระบอว่าสัพเพสัตตาเราจับทั้งหลายทั้งปวงทิ่เป็นปัญทุกข์กดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาจงเ ป, เป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัปยาปัชาจงเป็นสุขป็นสุขเถิดจะได้เยีดเยินแก่กันและกันเลยอภินิคาจงเป็นสุขป็นสุขเถิดจะได้มีความทุขกายทุขใจเลยสุขีอัตานังปริหารงโตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งทิ้นเทินเอ๋ทําลองนี้เนี่ยเป็นการแผ่เมตตาเฉลียดความสุขให้กับผู้อื่นและกับสัตว์ทุกทุกประเภททุกจําพวกขอให้เขาได้มีความสุขนี่อันนี้แหละคือว่าเราเรียกว่าเจริญเมตตาฉะนั้น การที่เราไม่ฆ่าสัตว์ก็จะทําให้เรานั้นมีอายุยืนการที่เราไม่กักขังสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ก็ทําให้เรามีโรคน้อยนะมีโรคน้อยอนะไอไม่มีเลยมันก็เห็นใจยากก็คงจะมีบ้างนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยนะแต่ก็ทําให้โรคกันน้อยแต่การที่สองก็คืออัตินาฐานก็คือโดยไม่รักทรัพย์นะไม่ถือเอาสิ่งที่เจ้าของเขาหวงแหนงานะโดยอาการ ที่จะรักขโมยก็ไม่เอานะไม่เอาถือว่าธรรมชาติได้สร้างคนเรามาอ่าทาอาทัดเทียมกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราควรจะสร้างขึ้นเองสิ่งใดที่เราสร้างให้มันมีให้มันเกิดขึ้นเราก็ภูมิใจถึงแม้สิ่งนั้นมันจะไม่ใหญ่โตแต่ก็เราก็ทํามาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเรามันก็ภูมิใจนะหลับก็เป็นสุขปืนก็เป็นสุขจะไปทางไหนมันก็มีแต่ความสุขทางนั้นนะไม่ต้องไปนะระแวงระคายเราไม่เป็นพิษ เป็นใครกับใครอันนี้มันก็เกิดความสบายใจนะเกิดความสบายใจประการที่สามก็คือไม่ประพฤติติดประเวณีในลูกเขาเมียเขานะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปในทางที่ชอบหนะ้าที่ถูกที่ควรเดินตามตรอกออกตามประตูนะให้ถูกต้องตามทรรมนองคลองธรรมนะอันนี้มันก็นะ้ำนี้แต่ประโยชน์นะมีแต่ความสุขมีแต่ความสมัครสมานสามัคคีมีแต่การให้เกียรติกันยกย่องกันอันนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศล นีเกี่ยวกับเรื่องกายกรรมคือกรรมที่ทําทางกายนะเียกว่าทางทุจริตนะทุจริตคาว่าทุจริตนี่ก็คือว่าประพฤติไม่ดีประพฤติชั่วนะแล้วก็ประพฤติชั่วในคําว่าทุตรงนี้นอกจากชั่วแล้วแปลว่ายากมันประพฤติยากประพฤติลาบากเพราะว่าจะกะทําำนี่มันต้องลบหลบซ่อนๆแอบเขาทำแล้วก็ต้องหาคอยโอกาสหาเวลาแล้วเมื่อทําไปแล้วก็ต้องหาที่หลบซ่อนซุกซน หนีก็จะกระเจายข้ามไปอำเภอน้์จังหวัดนท์ประเทศนทนแหม่มันลาบากลาบนนี่แหละเนียกว่าไอ้ทุกอย่างนี้มันยากมันลําบากนะมันชั่วเลวซามาส่วนสุจริตนั้นได้แก่ประพฤติ ท, ที่ดีที่งามที่ง่ายการทําดีนี่ทําง่ายนะทำง่ายทําได้ทั้งในที่รับในที่แจ้งนะไม่ต้องกลัวใครจะเห็นหรือไม่เห็นเราทาดีทําได้ทุกโอกาสแต่ทําชั่วนั้นทําไม่ได้ทุกโอกาสเพราะชื่อหัวข้อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสุจริตก็คือการประพฤติที่ดีนะที่ดีที่งาม ประพฤติดีทางกายก็เรียกว่ากายอ่าสุจริตประพฤติดีทางวาจึงเรียกว่าวจีสุจริตประพฤติดีทางใจก็เรียกว่ามโนสุจริตนะในทางทุจริตก็เช่นเดียวกันเรียกว่ากายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตอืทีนี้ก็มาในส่วนวาจีกรรมนะวาจีกรรมกรรมอันสัตที่จะกระทำด้วยวาจาไม่แก่กรรมอันเป็นหน้าที่ของวาจาจะปรุงกระทำ ท่านแยกไว้เป็นฝ่ายทุจริตและสุจริตอย่างละสี่อย่างละสี่ตัวเช่นว่าในฝ่ายทุจริตก็คือพูดตดนะหรือพูดเท็จพูดตดพูดเท็จพูดซอเสียลพูดคำหยาบพูดเพลชเจอ์นอย่างนี้เราเรียกว่าทุจริตคนเรานี่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความจริงใจต่อกันนะไม่ค่อยมีความจริงใจคนเราถ้ามันพูดเล่นสะเล่ยนะมันพูดเล่นสะเล่นมันก็ มันก็ไม่มีสาระเหลวไหลนะเป็นพูดเหลวไหลไรสาระพูดน้ำท่วมท่งผับบ่งหลงเลงอย่างนั้นะนะพูดไปก็ไรประโยชน์นี่พูดไปก็ไรประโยชน์นะะชนฉะนั้นเราควรจะพูดความจริงต่อกันไม่ควรพูดโกหกการพูดโกหกทำให้เขาต้องเสียประโยชน์นะเสียประโยชน์บางครั้งก็ต้องเสียเงินเสียทางเสียเนื้อเสียตัวนี่ พูดจ่อเสียดก็เท่ากับว่าเป็นการพูดแล้วให้เกิดความแตกแยกให้เกิดการอิจฉาเสียกันให้เกิดการแต่ความสามัคคีกันพูดคําหยาบก็คือพูดแล้วก็ฟังแล้วไม่เพลาะนะฟังแล้วมันก็แข็งกระด้างฟังแล้วก็เหมือนกับมีอะไรมันไปย้อนหูทําให้เกิดขวางหูที่เราบอกแหม่พี่พูดไม่เข้าหูนั่นแหละก็พลอยคําพูดที่มันไม่สุภาพนะเป็นพูดคําหยาพูดเพ้อเจ้อก็พูดเลวไหลไร้สาระไม่ ในเรื่องในราวพวกเป็นนกแก้วนกขุนทองอ่าแต่ท่านพ่อในทางสุจริตก็เรียกว่าวิจีสุจริตสี่อย่างก็คือไม่พูดสดไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพอเจอร์ก็คือพูดแต่คําจริงอ่าสัจจเวอมตาวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสัดจะตรงนี้แปลว่าความจริงไอ้คนเราถ้ามันถ้าหากว่าเป็นคนที่มีอ่าที่เป็นคนจริงนะ เป็นคนจริงไอ้คนจริงนี่ไปทําอะไรมันก็จริงๆริงทางนั้นเลยนาจริงจริงทางนั้นอเป็นคนจริงแล้วไปเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนจริงๆนะไปเป็นพ่อเป็นแม่คนก็เป็นพ่อเป็นแม่จริงจริงไปเป็นผัวเป็นเมียคนก็เป็นผัวเมียจริงจริงไปเป็นครูก็เป็นครูจริงๆไปเป็นพระก็เป็นพระจริงๆอ่ามันมีแต่ความจริงแต่ถ้าหากว่ามันไม่จริงแล้วมันก็เป็นของเล่นเล่นไอ้คำว่าจริงนี่มันตรงนการข้ามวันเล่น เขาเล่นลิเกเล่นละครเนี่ยเขาเล่นเล่นเล่นะเขาไม่ได้เล่นจริงๆนะเขาเล่นเล่นเล่นคือเอาเรื่องมาจากเรื่องจริงแต่มาเล่นเล่นเล่นสมมุติคําเป็นตัวนั้นตัวนี้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นทหารฆ่ากันนะตายแต่จริงๆเขาแกล้งตายตายเล่นเล่นไม่ได้ตายจริงๆเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เล่นเล่นไม่ใช่กษัตริย์จริงๆริงเราดูประวัติราชวังนั่นมันก็เป็นภาพวาดมันไม่ใช่ภาพจริงๆริงนี่ฉะนั้นเมื่อเรา เมื่อเราเป็นคนเล่นเล่นคนไม่จริงเป็นคนเล่นเล่นเอาไปทำเป็นลูกคนก็เป็นลูกเล่นเล่นเอาไปทำเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนเล่นเล่นเป็นพ่อแม่คนก็เป็นพ่อแม่เล่นเล่นเป็นพ่อเป็นเม่คนก็เป็นพ่อแมยเล่นเล่นเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์เล่นเล่นเป็นพระสงฆ์เนรก็เป็นพระสงฆ์เนรเล่นเล่นไม่มีความจริงอะไรเลยนะอย่างนี้ถือว่าไม่ได้ประโยชน์ไม่มีสาระฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีความจริงต่อกันนะความจริงต่อกันให้ความจริงนี่แหละ คามบางครั้งเราก็เรียกว่ า, าความาความซื่อสัตว์เหมือนกันจะมีคำพังเพยว่าซื่อกินไม่หมดคบกินไม่นานนะซื่อกินไม่หมดคบกินไม่นานในความลักษณะของความจริงตัวนี้ยังมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงไหนตรงก็คือว่าซื่อตรงนั่นเองที่บอกว่าซื่อกินไม่หมดคบกินไม่นานคนเราจะต้องมีความซื่อสัตว์ซื่อสัตว์สุจริตเนี่ยเป็นของคู่กัน คำว่าซื่ตรงไอ้คำว่าตรงเนี่ยมันตรงกันข้ามกับคำว่าคดไงตรงกันข้ามกับคำว่าคดไอ้ไม้คดเหล็กคดเอามาทําเป็นประโยชน์ได้ทำแอวกทำไถ่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนได้สร้างเก้าอี้สร้างตุกรามบ้านช่องได้นะเอามาดัดทําเป็นประโยชน์ได้หลายๆอย่างอ่าแต่ว่าคนลงถ้าคดทําอะไรไม่ได้ไอ้คนลองท้าคดพาไปทําเป็นลูกคนก็เป็นลูกคดเป็นพ่อคนเป็นแม่คนก็เป็นพ่อแม่คดเป็นผัวเป็นเมียคนก็เป็นผัวเมียคด มาเป็นสามีภรรยาคนก็เป็นสามีภรรยาคนไม่มีประโยชนะ์อะไรเลยนะไม่มีประโยชนะะ after, t t ah ย์เลยเอาไปเป็นทหารตำรวจก็เป็นทหารตำรวจที่คดเนี่ยมันคดไปหมดนะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีความซื่อตรงนะเป็นคนที่มีความตรงเอาไปทําเป็นลูกก็เป็นลูกที่มีความซื่อตรงเอาไปทําเป็นาพ่อแม่คนก็เป็นพ่อที่มีความซื่อตรงไปทําเป็นพ่อเป็นเมียคนก็เป็นพ่เมียที่มีความซื่อตรงเอาไปทําเป็น สามีภริยาก็เป็นสามีภรรยาที่มีความซื่อตรงเอาไปทําเป็นทหารตํำรวจก็เป็นทหารตาํำรวจที่มีความซื่อตรงแม้ที่สุดเอาไปทําเป็นพระสงฆ์องค์เลนก็เป็นพระสงฆ์องค์เลนที่มีความซื่อตรงมันก็มีแต่ความสัขมีแต่ความสวัสดีฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงมีความซื่อตรงต่อการพูดความจริงนะฉะนั้นการพูดนั้นต้องพูดความจริงพูดคําจริงพูดคําศักด์พูดคํามีประโยชน์ พูดประกอบด้วยเมตตาพูดให้ถูกกาละเทศะอย่างนี้เนี่ถือว่าเป็นติยะวาจาเป็นวาจาที่น่ารักเราจะต้องไม่พูดต่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดโพชเจ่นะต้องพูดผมพูดครับพูดให้มีหางเพราะฉะนั้นควนพูดไม่มีหางมันก็ห้วนเหมือนกับหมาหางด้วนดูแล้วมันก็ไม่สวยไม่งามเราจะต้องพูดครับผมพคะขาจ้าไอ้นี้ดูแลมันก็ฟังพระหูดีเพราะฉะนั้น เรื่องคำพูด้จริงเป็นสิ่งสำคัญนักปราชญ์ท่านจึงได้เขียนเป็นคำกลอนไว้ว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลงปากจะได้ยากหัวหิวเพราะชิ้วหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจารงติเคราะ์ให้เหมาะความนี่เพราะว่างั้นฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าเรื่องคำพูดนี้จริงเป็นสิ่งสำคัญอันอ้อยตานหวานเลิ้นเราสิ้นซากแต่ลงปากหวานหูไม่รู้หายนี่อ่าฉะนั้นนี่ก็เรื่องของคำพูดฉะนั้น ประโยชน์นี่เกิดจากคาพูดนี่มากถ้าคนพูดดีปากมันก็หอมเขาเรียกว่าเป็นาปากดอกไม้ปากน้ําผุ้งนะมัทุระวาจาเขาเรียกว่าวาจาหวานออ่ า, อาพู้จาหวาออนหวานแล้วก็อปุถะพาณีก็เรียกว่าพูดแล้วก็ปากหอมไม่ใช่คูถะพาณีอันนี้ปากเหม็นเหมินเหมือนคูดไม่ได้เลือกไม่ได้ราวะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องวจีกรรมก็เราก็ จะต้องทำในทางที่สุจริตนะสุจริตในพูดในทางที่สุจริตก็จะมีประโยชน์นะคนย่อมจะมีชื่อเสียงได้ก็เพราะวาจาศักนั่นเองนะเพราะวาจาศัก พ, พูดคำจริงก็ทำให้มีชื่อเสียงได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนตรงพูดความจริงต่อกันพูดให้เป็นประโยชน์พูดประกอบด้วยเมตตานะ ผู้ให้ถูกการละเทศะประโยชน์และสันติสุขก็จะบังเกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายและเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติประการที่สามก็คือมโนกรรมกรรมอันสัตยกระทำแล้วด้วยใจได้แก่กรรมอันเป็นหน้าที่ของใจจะพึงกระทําท่านแยกไว้เป็นฝ่ายทุจริตและฝ่ายสุจริตในอย่างละสามอีกเหมือนกันก็เป็นต้นว่าในทางทุจริตก็คือโลภ อ, อยากได้ของเขา อสองพยาบาทตองร้ายผู้อื่นสามเห็นผิดจากทานองคลองทำเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีเห็นว่าการทําชั่วได้ ด, ดีนี่อย่างนี้ถือว่าเป็นทุจริตทางจิตใจนะเรียกว่ามโนทุจริตนะคนน้อก็มีความโลภมีความพยาบาทอยู่ในจิตใจแล้วมันก็เป็นสนิมอยู่ในใจมันก็กัดก่อนจิตใจทำให้ใจเดือดร้อนกระวนกระวายทําให้สแสดงอ่ะ ทำให้ติยาอาการวิกฤวิการไม่เป็นกปกติดูแล้วมันก็ไม่น่ารักน่าใคร่ไม่เป็นที่อกอารมณ์ของคนทั่วไปยิ่งเราไปเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีก็ถือว่าเป็นพวกวิชาทิฏฐิฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเห็นให้ถูกต้องก็เรียกว่ามนโนสุจริตก็คือต้องไม่โลภอยากได้ของเขายินดีแต่ในของของตนแล้วก็พยายามเป็นคนเสียสละให้ทาน แล้วก็ไม่พยายามบาดฟองร้ายเขาต้องเป็นคนมีเมตตาอ่ามีเมตตากรุณาแล้วก็เห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมเห็นว่าทําดีต้องในดีทําชั่วต้องในชั่วอย่างนี้แหละเรียกจะเห็นถูกต้องเห็นอย่างนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสัมมาทิฏฐินะดังนั้นกรรมทั้งสามอย่างนี้มโนกรรมถูกว่าเป็นกรรมที่ยิ่งกว่ากรรมทั้งสองประเภทนั้นโดยเป็นเหตุนําให้เกิดกรรมทั้งสองอย่างคือกายกรรมและวจีกรรม ก็ย่อมอยู่ในอำนาจแห่งใจมีใจเป็นหัวหน้าบังคับกายและวาจาให้เป็นไปทั้งสั่งนานาได้เพราะนั้นถ้าจะมีคําถามว่าอะไรเรียกว่ากรรมมีกี่อย่างอ่าและว่าโดยผลมีเท่าไหร่อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าเจตนาหรือกิจตุระอันบุคคลภูรรมิกระทาเรียกว่ากรรมมีสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมว่าโดยผลอย่างย่อก็มีสองอย่างก็คือกุศลกรรมหรือสุจริต ให้ผลเป็นสุขอกุศลกรรมคือทุจริตให้ผลเป็นทุกข์แล้วถ้าจะถามว่ากายกรรมกับกายทวารต่างกันอย่างไรสั่งให้เขาทําปานาธิบาตปานาธิบาตอย่างไหนเป็นกรรมและเป็นทวารอะไรอันนี้ก็ตอบได้เลยว่ากรรมอันบุคคลจะปรุงทําทางกายจัดเป็นกายกรรมทวารคือประตูที่บุคคลอาศัยกระทําเรียกว่ากายทวารสั่งให้เขาทําเป็นวจีทวารปานาธิบาตเป็นกายกรรม ถ้าจะถามว่ากรรมทั้งสามนี้กรรมอะไรเป็นกรรมที่หนักกว่าทุกๆกรรมที่เฉลยเช่นนั้นมีเหตุผลอย่างไรตอบได้เลยว่ามโนกรรมเป็นกรรมที่หนักกว่าทุกๆกรรมคือมโนกรรมนี้เป็นเหตุให้เกิดกายกรรมและวิจีกรรมกรรมทั้งสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมโนกรรมเป็นเหตุเป็นต้นเป็นผู้บังคับกรรมทั้งสองอย่างตามธรรมดากรรม คือการกระทำทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีใจมีเจตนาเป็นผู้บงการถ้าหาไม่แล้วการกระทำทุกอย่างย่อมไม่สำเร็จเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอกรรมสามก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาทุกชนผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร